แต่ั่นคอเ้นท่านอูตาอยูเข่าแสนลำบากแสนจันดานอาาานนอยู่แต่เพราะว่าจิตใจทั้งคันมีอาหารซึมีมะท่านอยู่โดยความสว่างสวายท่านอยู่ยความเยเย็นดัจิตใจทั้งนานหาาอื่นไม่เหนต้องหา ตายในจิตั้ก็นลอดไปหงมาแต่เก like, okay. ิดขึ้นจากจิตเกิาภูเขาตำหลักตำลาต่างานแยำหลักตาเราอนมันอยู่ทำมาได้เราจะได้บอกว่าอันนี้พิโรธอันนี้ตัณหานี้อะไรไม่ได้บอกนะตำหลรไปอ่านได้ว่าจะได้แยกตำลาไวทำมาจะเกิดทำมาถึตาเขาพูเว่าโยตูอาจารย์ เกิดเรามาทันวลาทันมะเกิดโดยาระาที่โผล่น้อมพมาที่ภายในมั่อยู่ที่กาที่ใจขาปเราเมว่าสายนะไมวลาสายฝนไวลาสายเสยื้อไม่ว่าสายอไรนี่อยู่ที่อื่หของเราขจุญที่ที่ไม่อะไรมาเหย่ยเตีวขง้งเตียวแล้วเหมือนกันกับผ่า น, น, บบนากำลังกำลเหมือนกันเหมนกันกับผ่านทำไม ใจเห็นรมโลกตามปวดตามหลงหรือตามในโลกในปวดในหลาพล่อยู่ที่ไหนที่จะมาลงใจเห็นประจท่านเห็น้าในเห็นแต่รู้หน่อยละไม่พอเพราะนั้นเจือเห็นทำไหมเจือีที่จาทำไมใจเห็น่งแต่เป็นทำไหมแต่ยินเสียงแต่เป็นทำไหมเราจะถานที่ใด นีแต่ธรรมะพอใจาเป็นธรรมะเห็นเด็กจะเป็นธรรมะเจิหนุ่มสาว็เป็นธรรมะเจิคนแก่คนตางก็เป็นธรรมะใจเป็นธรรมะไปสถานที่ใดมีแต่ธรรมะในอดยากอยากจนมีแต่ก่อนจะพิจารณาแก้ไขจิตใจที่สุ่มโง่เลื่อนหลงหรือจิตเข้าเล่างแนั้นพอเหตุดจิตใจจึงไปเล่นเหลง ติดข้อเราจะพิจารณาภายในน้อมธรรมาหลงใจของเราที่ลมหลงเพราะขาดใที่ไม่พิจารณาจิดตุดข้อแต่ก็ใจจะเห็นกามเป็นจริงว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นอย่างไรกันคือเต่าหมอติดข้อจิตใจไปยึดเหนี่ยวว่าเป็นของทั้งตวว าระทุกวาตงตปฏิบัติผู้ปฏิบัติใจนี่อเป็นเครื่องรักษามีปัญญาเป็นเรื่องนอมานเสมอ่านที่ใดรณาใจิส่หือใสมองเป็นัว่ไะรอะไรมเสียข้างกับใจใจจเป็นแบบนี้ มันที่นี้พี่แจนะหาทางชำระตัวรักษาความดีในตัวโอเคยอดละโอเคแล้ว่าปฏิมีความตั้งมั่นในอดในคำสม่ำเสมอไปต่ตปฏิทำรัมนเลี้ยงเดล่าเสื่อมจิตใจของคนมีพิรุธปัญหาคอยใส่ไปหาทำรันเป็นทางทูิด ลมบากสำหรับผู้คนคนหนาอย่างพวกเราธรรมดาเพราทำนันเป็นเสี่ยา่าฝืนเหมือนกันกับทางเข้ามาวัดลำบากเดี๋ยวทางจะสู่เลงหนังลนแล้วก่อนบ้าบ้าไปไกสะดวกะบายเขาเขาทำบำรุงเสี่ยนเข้ามาวัดนี้ใครที่จะบำรุง ไม่มีใครที่จะรักษายิ่งแเราชอบงนตดงนัดชอบตากว่าตาแล้วลบาด่ามันเลยมีคนรักษามันมีคนพัฒนาจึงเป็นตามันจะต้องลบากลาคาญง่าตานไปแต่เาก็ต้องสาดสีตากว่าสาดแล้วว่ามันมีไต ส, สว่างสบายมันมีอาการนันช่องอาศัยสะดวกสบาย ทุกสิ่งทุกอย่างมันตาศีนความเคยสินของเราเพราเป็นตาแต่พราพูดใช้เจ้าวิโยพาะละจรฝึกสขขอนตัวเองทันเคยได้ความรู้ความตลาดจากตาฉันจริงแนะนำถานสอนคุณละบุตรผู้มือลังตั้งแน่าจะปฏิบัติตใครชอบตาแต่ตยินดีในทืส่สงบสงัน มีทางรถพอไปถึงที่นั่นก็ไม่ค่อยงสงบสงัดเกียงฟออยู่ใดที่มไม่มีทางรถทางเสียนพอไปถึงมีแต่ทางเท้าต้นดันเข้าไปที่นั่นแหละเป็นที่ตา่ายจริงๆงสงบสงัดจริงๆสําหรับสถานที่<อ>และที่งสงบสงัดใหญ่นั้นคนที่จะไปเกี่ยวข้องกับผูไว้เพื่อปฏิบัติไม่มี ตลอดถึงอาหารการกินท่าบาตรบางวันก็กจะไม่มีข่าวในบาตรในต้องพูดถึงอาหารวำบารรำพาทุกสิ่งทุกอย่างไปหาใจในช่อใจในกินดูในอาดในทำไปแล้วจะต้องทำไปแล้ว จ, จะต้องโทษแต่ก็มาดูแลรักษาอะไมีอะไรทุกสิ่งทุกประการใจสะดวกสบายตัวตายมันเป็นอย่างนั้น ในอย่างนั้นก็เป็นสมมติว่าตาก็จะต้องลำบากลำคาแต่กูที่มุงม่งหน้ามุ่งตาไปประเทศเศรบัตรไม่ได้ตั้หนิถ่ายนอกพอเราชอบเรายินดีเข้าไปแต่แต่เขาบังคับบงังคับแต่ต่เขาเชิญเรามาเรามาเองถึงจะอดอยากทุกยากอย่างไรแล้วก็เต็มใจเล้จึงมาจะให้ใครมารักษามาดูแล นอกจากตัวของตัวจะดูแลตัวของตัวเองมานี้มาเครื่องผพิตปฏิบัติแทนแต่สอนตัวของตัวอย่างนั้นมาดูเรื่อออกไปถู่เรื่องนอกเพื่อดูจิตดูใจของตนไม่ว่าจะทานที่ศเงินประจักทุกตุ้งทุกอย่างพร้อมบริบูรณ์แล้วจิตใจมันเป็นอย่างไรมันเจือปงอะไรจะควรแก้ไขตรงไหนแทนจะต้อง ทนี้ที่เจรณาดูปัญญาอารมณ์ดูจิตของใจดูสม่ำเสมอมาเหยียบออกไปข้างนอกมันบอกสอนพอเรามาสอบเทียบปฏิบัติทุกอย่างก็เงียบสงบเราจังรุงอะไรเพราะตาที่ดที่อาศัยเงียบไม่มีสิ่งใดมาเราวนทางตาะเห็นแต่ตาทางหูยินแต่เสียงแต่ตา รับควรที example, ่จะเหตุเกิดขเหลือัหาถ้ารัควรก็รับควรทางตามตัวตัวตายเพราะูป่าจะไปถึงท่าใส่ใครไม่มีถ้ามื้างมืสรือมืออะไรมาเราจะถึงอะไรจะหาพรรพวกเพื่นฝูงคนไหนมีมื่อเป็นอย่างนี้ก็จะต้องพึ่งทำเพื่อมั่นไ่้ ผู้ปฏิบัติธรรมจะต้องมีธรรมรักษาถ้าถึงชาถึงสมัยยังไม่ตายแม่เพื่อถึงจิตถึงใจแล้วก็สร้างหน้าต่างตาเพื่อตปฏิบัติธรรมจิตจิตจิตรุงเรื่องนอกปัญญาแม่สอนมีสติรักษาแต่เราไม่ได้มาคิดมาปรงเรื่องอะไรก็มาตบปฏิบัติอัดธรรมต่างหัก หากคิดลึกลุงเสียเสียอย่างนี้อาจจะเกิดภัยที่บัดต่างๆเพราะสถานที่นี้ไม่ใช่สถานที่ธรรมดาเล่นปากทำนี้ทสอนตัวครืองชั้นใ่นั้นห้ามการคิตใจในจิตลุ้งต่างๆมุ่งมั่นจัดทาที่นิพิจารณาอาจทำเพื่อถอนถอนแก่ไขใจที่ถัดคล้องในโลกนี้ผู้ใดทีปฏิบัติอาจทำ ท่านฝึกสอนตัวของท่านมาอย่างนั้นพ้าหาจะเอาตามเรื่องกิเลสปัญหาชอบอย่างไรก็จะไปตามเรื่องข้องมันอย่างนั้นพ้าหากเรื่องเหล่านี้ความจิตทำใจให้สว่างสวัยามจิตทำใจให้ตกไปจากกิเลสปัญหาคนธรรมดาเข้าไปสืให้ส อ, อบแบบนั้นก็จะเป็นอาหาัดอาหารขั่วหน้ากันเหนื่อยจนด่างนั้นต้องฝ่าฟืนละมา อยกเย้นขนาดไหนก็ต้องป่าอื่นแต่ท ำ, ำทความเห็นเจ้าความเห็นความเห็นของใจเป็น จ, จิตใจรู้เห็นเด่นชัดในอาจทำเพื่อม่นว่าทำคําสอนของพระพุทธเจา้าที่ท่านสอนเป็นของจริงไม่มีการมีเวลาเป็นอาตจาริโตจริงผู้ตั้งหน้าตั้งตาื่อปฏิบัติอาจทำอยอมรู้เห็นเป็นขึ้นในรว่าสมัยใด การใดผขอตั้งใจแต่เพื่อปฏิบัติจริงจังอาถรรมันมีอยู่ที่อื่นมีอยู่ในกายในจิตของเราแต่สถานที่ที่ไปประเทปฏิบัติจะต้องฮาไม่ใช่ว่าสถานที่ใดก็จะอยู่ไปเพราะความผัดผ่องถึ่งแวดล้อมต่างๆใครก็ออกวันหนี่งมันลำาามากผ่นจึงสอนแห้หาสถานที่สงบสงบอย่างดีเๆแต่ต่าง หายถงว่าความนิเวทความสงบสงบจากผู้คนพอหางายเพราะเข้าป่าหลบตัวอยู่สถานที่ต่างๆพอหาได้การสงบวิเวศทางใจแต่การสงบวิเวศทางใจเป็นของลําบากจะต้องฝ่าฝืนฝึกปฏิบัติไมาอย่างนั้นความนิเวศทางใจมันจะเน่เสียขึ้นความวิเวศทางใจ หมายถึงจ yes, so so ิตของตัวเองเลยจิตปุ่งปุ่งไปตามสัญญารมต่างๆเอาให้รี้เรืให้สงบในมีการจิตปุ่งปุ่งไปในสิ่งที่โลกทั้งหลายสมุทรทั้งหลายเขาคือวัดดีชั่วต่างๆไอจิตที่นกดมาเหมือนสิ่ต่างๆเหล่านั้นเป็นของธรรมดามีการเกิดมีการ แต่ควรแล้วจะมีการแตกสลายเสมอกันทัสิ่งที่มีริมยานและสิ่งที่หายริญญานานี้ได้มีสภาพเสมอกันหมดเราจะไปปูนเส้นรุ่มหลงอะไรกันตัวของเราก็เป็นอย่างนั้นตัดอื่นคอนอืน่นวัตถุอื่นก็เป็นอย่างนั้นเหนืย่ยรู้เมื่อเข้าใจเดือดสติปัญญาชัดเจนแจ่มใสใจจะในนี้วันรุ่มหลง ต่อจิงต่างๆแล้วอยู่สะดวกอยู่สบายเราีห้อันตรายสาหรับจิตแต่เรื่องของร่างกายจะเป็นไป ต, ตามธรรมดาของขาดขันเหมือนกันกับพวกหมอเคอยเรียนสำหรับตารามายาจก้โรคต่างๆรู้จักโรคอย่างนั้นเป็นให้เชื่อเป็นโรคอันนั้นอันนั้นรู้จักถึงรู้จักโรคไทยมันก็เกิดขึ้น ไมวรไม่ควรเลือดหน้าแต่ฉันเรียนมามาขนาดนี้ในคนวรจะมีโรคภั้อะไรเกิดขึ้นแต่จะห้ามตามไม่ให้โรเกิดขึ้นแก่ตัวห้ามตามไม่ได้ผู้ศึกษาธรรมะผู้พิจารนาอาจทำแต่ทำนองเดียวกันดูเห็นเรื่องของขาดขันเป็นอย่างไรตามเป็นจริงข้องมันดูเห็นแล้วกรณวใามันจะไม่แปรขันมันก็แปรขันไปตามธรรมดาของขาดขัน ใจจิตของท่านไม่มีการหวั่นไหวไม่มีการเอีเอียงไม่มีการหลงลืมไม่มีการสวดเสียแต่ตามเรื่องของขาดของขันขขนี่คือจิตของท่านจิตสุขรวมดีไม่มีการหวั่นไหวเปลี่ยนแปลงคงที่ตลอดเวลาทั้งที่ยังอยู่หรือถึงภัอันตรายมาถึง ดยเด่นอย่างนั้นแต่เรื่องเหล่านี้คนที่ไม่รู้ไม่เห็นไม่เป็นในตัวก็ไม่ทราบผู้ดได้แต่ปากตัวของท่านไม่เป็นอย่างนั้นก็อาจจะมีการทัด้านในจิตในใจของตัวเพรตัวยังไม่เห็นจะบอกอะไรมันก็ยังไม่เชื่อต้องไห้เห็นโดยการําเพ็นโดยการปฏิบัติของตัวถ้าเห็นแล้วการพูดธรรมะใน่ต้องพูดกันมากมาย พูดนิดๆหน่อยๆก็เข้าใจกันถึงใจแในสิ่งทรู้ที่เห็นเดียกันถ้าหาัดไม่เห็นไม่เป็นหนู็ปรตรสงสัยใส่เทิมีเถิดเย็นอธิบายำายำใส่ัดเจนก็นเข้าใจว่าคนคนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้มีู่อย่างนี้แต่ที่ท่านไม่พูดท่านรูน้ท่านเห็นมีในท่านใครหน่อเห็นว่าท่านเป็นอะไรให้ มันเป็นอย่างของจิตของใจคนที่มีสมบัติมันหมดอยากจะไปอยากทำไมอยากกูจะมีหิวอยู่ยังไม่พอเองเอถึงจะอยากนี่เรายังไม่ถึงทําหมดยากกูเทจะอยากเทกูฟังจะอยากฟังนี่คือคนยังมีความอยาก คนไม่ม th ีคันดากท่านอยู่สถานที่ใดท่าะสบายหมดความอยากของใจไม่มีอะไรเป็นใครอยากนั่นแหละเป็นบอกเกิดของทุกท่านจังหวัดสมุทรไทยคือความทุกข์ของใจเกิดจากความอยากหากหมดความอยากเท่านั้นหมดปัญหาที่จะเกิดทุกข์ทางใจอยากจึงเป็นภัยสาคัญที่พวกเราท่านจะควรต้องจับออกจากใจของตัว คืออยากก็คือจิตคือยัางหนึ่งสมบูรณ์จิตคือย่งไนเพียงพอถ้าจิตสมบูรณ์จิตเพียงพอแล้วหมดอยากถึงโลกแต่ยังคงเส้นคงวาอยู่กับตางความอยากของท่านในนี้ในโลกจะไปอยากทําไมอะไรทัท้งหมดพิจะราทั่วถึงหมดการที่จะรณาทั่วถึงแล้วจิตหลุดจากโลกมันเป็นอีก ตะเกียบนึ่งซึ่งไม่มีอะไรที่จะเป็นโยวข้องกับความรู้สึกของท่านเอาอะไรจะสมงโตงไม่ได้จิดแบบนั้นไม่มีวันที่จะเป็นโลกไปอีกถ้าจกิงว่าเป็นมีมกความหลุดของจิตใจจากสงมตออกไปนี่คืออานิสงส์ของการประปฏิบัติ กายใจของเราเรามีอยากอยู่ในส่วนใดเมีรักอยู่ในส่วนใดส่วนนั้นแหละเป็นภัยอันตรายภาษาของโลกว่ารักกันฆ่ากันไม่ได้รักกันอยู่เดียกันสนุกสบายนี่ภาษาของโลกภาษาของสมุติภาษาของคนยุคเหล็กแต่ภาษาของธรรมะภาษาของพระอริยะคือพระพุทธเจ้าปิยโตปิยเถรโชพปิยโตปิยเถรอย่างความรัก นั่นแหละความสอบใจนั่นแหละทำให้เกิดความโศกเป็นภัยอันตรายถ้าคนใดฝุดจิดใจของตนให้นหนคนไปจากความรักความสอบใจแล้วภัยอันตรายไม่มีในบุคคลผู้นั้นนี่ภาษาของธรรมะมาพิาจารณาดูแล้วอย่างเราเศร้าโศกเสีสส ย, ยใจที่ลายลำพัน์ต่าง ๆ, ๆเกิดจากความรัก ถ้าเราไม่ะักเราไม่ชอดใจจิดไม่ปิดผ่องในสิ่งเหล่านั้นมันเลยมีอะไรเป็นทุกข์พูดง่ายๆอย่างเราบ้วนน้ำลายออกไปเราไม่ถือว่าเป็นของของเราเร า, เ, เ, เราไม่หวงแหนเราไม่ยึดในสิ่งเหล่านั้นใครจะมาเหยียดดันทางลายหรืออะไรจะมาจิกมากินแมาแต่มาตอนก็าไม่เคยเจ็ความทุกข์เจ็บความลำพานลําบากจากน้ำลายที่เราบ่วนออกไป แต่ลูกของเราเนื้ของเราหัวของเราหรือสิ่งของของเราที่เรารักเราชอบใจพอเพราะอะไรแต่ต้องเขา้าเป็นอย่างไรเป็นทุกข์ไหมก็เพราะเียบได้แหละความหงหุดหงิดความชอบใจความรักให้ความใส่หวใทําให้ใจเป็นทุกข์ถ้าหาใจปล่อวางเรื่องต่างๆได้เหมือนเราปล่อยวางในลายคือบวมชื่นมันจะบาย ไม่มีภัยอันตรายอะไรจะมาเกี่ยวข้องจะมาทำให้ใจเป็นทุกข์ยังควรคิดวิจัยมาชำระทุกทางใจทุกทางใจเป็นทางที่ําระได้ในเหมือนทุกทางใจทุกทองใจเนื่ยยังไม่ตายจะแต่มีการรักษาตามฐานะหนา้าที่ของตัวมีการกินการดื่มการหลับการนอนกาเเรเปลี่ยนอิเล็กโทต่าง ทุกทางใจมันมีเป็นธรรมดาเนี่ยจิตยังอาศัยอยู่กับใจจะต้องมีทุกทางใแจ ะ, เ ป, จะ เ, ป เ, จเป็นผู้แห้งขันต่เป็นข้ารีวิเจ้าหรืเป็นผุกขธรรมดาทุกทางใจยังคงเป็นคงวาไม่มีอะไรผิดแปกแตกต่างกันแต่ทุกทางใจของฉันมันไม่มีแต่ด้โตกเศ้าเสีใจที่ราลาพันจากเรื่องของขาดขันเหมือนมันแร่ปวนแตกสลายเป็นไปไม่ได้เพราะตันตึก จิตใจของท่านรู้เท่าหย่างของขอดขันเห็นจี ง, จงปล่อยวางสลัดสลัดคืนอย่างเต็มที่จิตใจของท่านจึงเบิกบานอยู่ทุกกามทุกเวลาไม่ต้องเข้าไม่ต้องออกเพราะความบริสุทธิ์เป็นอย่างไรท่านปรจกักอยู่ในจิตในใจของท่านแล้วท่านจิตเป็นอย่างนั้นหมดอยากจึงไม่มีทุกข์ เร้เทุกคนถี่มาสึกผลแต่เพื่อปฏิบัติขอเพื่อฝึกหัดทีนี้ที่จริตมาเบ่งต้นขอทำจิตทําใจทองตนให้สงบต่อนั้นไปเมื่อถอดถอนขึ้นมาขอให้ทุจรณ า, าเรื่องตายรักแห้งตายจากตามเป็นจริงแล้วเมื่อตาจากในจิตในใจท่องตนอย่างคนเดียวเท่านั้นอย่างอย่างเดียวเท่านั้นจิตอื่นทั่วไป ในโลกธาตาก็เทียบได้เหมือ น, นกันไม่มีอะไรติแตกแตกต่างกันอยู่ในกฎอันเดียวกันอยู่ในขอบเขตอันเดียวกันเราไม่หลงเพราะไม่มีอะไรหลงในโลกเรารู้อย่างคนเดียวเท่านั้นคนอื่นจะไม่รู้จะเป็นอย่างไรจะเป็นเรื่องของคนอื่นเป็นเรื่องของสิ่งหนนั้นมันหนึบเป็นเรื่องสำคัญที่จะมาพัดถลจิตใจของเราดัะนั้นการฝึกจิตอบรมใจ เป็นของสำคัญท e, e ี่พวกเราท่านแขวนศึกควนอบรมให้รู้ให้เห็นให้ดีให้เดินในต้องไปจริงจริงคนอื่นอาจทำตามหลักตามหลักสิเราอย่างไหนเห็นไม่รู้ก็ต้องเกาะอาศัยเหมือนบันไดขึ้นบ้านจะไปถึงบ้านแล้วจะไปเกาะบันไดอยู่เพราะตัวบ้างจะไปเกาะทําไมบันไดไม่ใช่ที่อยู่ที่อาศัยเป็นที่เดินขึ้นต่างหาก แทนใดผู้ปฏิบัติด้านจิตใจของธรรนองนั้นจึงเร่งต้นจะต้องฝึกอบรมฝึกจริงจิงอาศัยครูอาจารย์หรือตำลักตำราไปก่อนแต่ต้องฝึกตัวข้องตัวอย่างจริงจังให้รู้ให้เห็นให้ยืให้เด่นอย่าเป้นแต่คำจามาจากลมปากของคนอื่นตัวเองไม่มีสมบัติอะไรพูดได้เพราะว่าเป็นคนดีแต่สมบัติในมี ในแต่บังทีจะเปช่วจ่ายอะไรได้ใคิดชื่ทีนี้พิจารณาหาทางศึกษาหาทางฝึกปฏิบัติเพราะทุกคนมีสิทธิ์ที่จ ะ, ะต้อึปฏิบัติกายิตของตัวแต่พจ า, าไม่ด้หแต่เป็นเพืเาา่อญิงเพื่อใจละลานนักบวชทางหตัหน้าตั้งตาแต่พปฏิบัติคนนั้นแหละจะเห็นจะเป็นจะรู้อัตชันี้อยู่อย่างไร จะเปิดเผยขึ้นจากใจของตัวในมีการงสงสมีการไปเรปฏิบัติขอทุกท่านที่นิสัยน่ะฝึกอบรมรักษาจิตใจของตัวพอจิตใจมันชอบเที่ยวทั้งที่นั่งอยู่เร่ละที่อั่งงาขนานไหนไมันก็ยังไป ของโน้นไปทางนี้ไม่มีเวลาหยุดพักผอมันชอบเทียวนักเที่ยวใหญ่ตกใจจิดใจเที่ยวไปที่ไหนจะเที่ยวไปเพื่อทางโน้นมีอัดทำมารียสอนเัว่้องตัวใน ม, มีสติในมีปัญญาในที่เจริญมาตามเรื่องเหตุผลทางธรรมะมันจะใน ม, มีหายสงสัยจ ะ, ทะทจะไปสถานที่ใดก็ไปกัน ใจเห็นแต่ใจเห็นเท่านั้นแต่ใจภายในมันไม่เห็นด้วยมันไม่ละมันไม่ขอนมันยังฝุกยังนั่งยังติดยังข้องดังนั้นการประเภทปฏิบัติจิงปฏิบัติจิตปฏิบัติใจทั้งตนเอาสติเอาปัญญาเป็นธรรมะแง่ละาสาสางจิตใจให้ฟองใสให้สะอาดพอจิตใจที่โปกโปก มันเกิดมาจากวิเวกปัญหาจิตใจธรรมชาติจริงจังไม่กกระตกเป็นจิตใจที่สะอาดเป็นจิตใจที่คล่องใสเหมือนน้ำที่มีสีต่างๆจะเป็นสีเขียวสีดำสีเหลืองสีแดงต่างๆในใจน้ำธรรมชาติน้ำธรรมชาติสีมันสะอาดมันคล่องใสที่มันเป็นไปอย่างนั้นพออาศัยพียงอื่นมาเกี่ยวข้องเลยเกิดเป็นสีต่างๆไป น้ำฝนตกลงมาจากท่องฟ้ามันสะอาดเมื่อมันเป็นสี อ, อย่างนั้นจะทำอย่างไรมันถึงจะสะอาดได้ก็ต้องสั่นถึงสีนั้นนั้นจะเป็นสีดำสีแดงก็ตามถ้าสั่นจริงจังแล้วนั้นที่สั่นออกไปเป็นสีสีใสชื่อสะอาด ห, หน้าดืนหน้าช้ากาใด่จิดใจก็ส่ส ง, งเราท่าน มันขุ่มัวมันเจ่าหมองเพราะความเสื่อต่างๆความเสียต่างๆในระดับทางตาทางหูทางจมูกทางรูจิ้งทางไตมันไหลไถ่ทุกวันทุกเวลาแต่แต่วันเกิดมาหรือเพราะชางหลังมันเต็มสะสมความเั่วมาอยู่อย่างนั้นความเสื่อจงครัวคันหุ่มห่อจิตใจเป็นไปด้วยความโลภความโสรความเลี้ยงต่างๆขมจึงเหตุสำรัก แข็ันความเชื่อนั้นจะตกไปหมดไปเพราะอาศัยตาตั้งคือสิตัญญาเป็นแ่็นตันจิตใจสติก็คือตันระ้ึกรัญญาก็คือตันรอบรู้ในสังขารที่นิจเจร น, นาสาวไทย สอนใจอยากป่อยไปมันอยากคิดอะไรก่อนป่อยมันไปในการวิคินี้มันจะมีประโยชน์หรือไม่เมื mm. อ่อเราป่อยไปในทีนี้ที่เจอมาในคำหนึ่งคำนวนหาว่ามันจะเสียเวลาหรือไม่มันจะคิดไปได้วันนี้จะตลอดวันเืมนี้จะตลอดคืนมรุ่งนี้เดือนหน้าปีหน้าก็เป็น อ, อยู่อย่างนั้นเพราะมันเลยสึกอรวมตัวของตัว มันจะมันจะเป็นไปเองดีไปเองการแม้พ so SI ักในป่าจะเป็นเดือดธรรมดาที่เลือดปัญหาให้หมดไปแต่เป็นอย่างนั้นอาจจะเพิ่มที่เลือดปัหาเพราะความไม่สดวกไม่สบายจิตสิตเคยจิตเคองเคยตาเคยดูหูเคยได้ยินมาได้ดูมาได้ยินอย่างนั้นจะขาดข้องเศร้าหมองขึ้น อาจจะเพื่อนที่เลือม่ได้านนี้ก็เป็นได้หารมาชำระสายสังกิจังป่าเป็นสถานที่สำคัญเป็นใจสมองภูมิที่พระพุทธเจ้าเรื่องดีไว้เจ้าถือไปท่านเกาะท่านอาศาัยก่อเพื่อปฏิบัติเพราะสถานที่นั้นมันเงียบสงบมันไม่มีอะไรและใจสะดวกสบาย การฝึกจิตึกใจคือกสอนหุ้หาสถานที่ที่ตาคอผิวว่ามันมันมีอะไรลาปุ๊บพลาดอะไรรูปวัเสียงเมื่าถึงตาถึงสถานที่สงบสงียจะต้องตั้งใจปฏิบัติอย่างไรมันเป็นเรื่องของตัวเองจะสอนตัวหมดเรื่องภายนอกยังเรื่องภายในรบกวนตายใจทั้งตัวขุนมือส่าหมองอยู่ งอไก่ชายในบ้านของพระเจ้าท่านเป็นปตก่ัตว์ใอยู่ที่สะดวกส บ, บายการเสวยจะเป็นอาหารการนี้พภาชนะที่ใส่อาหารจะเป็นของสะอาดของสวยงานเวลาออกบวชอยู่ป่าใครเล่าตามรักษาปฏิบัติท่านไม่มีใครวเมื่ไปอยู่ในป่า ต่างสถานที่ใครไล่แต่สราบว่าท่านเป็นลูกของกษัตริย์ท่านเคยเป็นกษัตริย์เขามีอะไรก็ให้ท่านจะทานไปพอกระทันไม่ให้ตายเท่านั้นต่างหน้าต่างตารักษาปฏิบัติจิตใจอยู่ต่างหลายท่านษาหลายปีเจ็ดอรมวยวิธีต่าง เนผลที่สุดได้รู้เห็นเป็นพระพุทธเจ้าเป็นศาสตราอื่นทั้งโลกมาสอนพวกเราทั้งหลายการฝึกการรู้ของท่านทางก็ฝึกลมหายใจกําหนดลมไปกําหนดลมมาอยู่นั้นเพราะท่านเคยเล้นเล็กได้ไดในสมัยทรงพระยาวเป็นเด็กเป็เด็กําหนดดูอย่างนี้จิตมันได้เหยียด ล, ละอลงไป ใครคนใจับเอาไอออนเก่าส่วนนั้นม e าสึกอุ่นลมฝนที่สึกจิดใจของท่านจะสงบเม่สงบแต่ที่ใจนมอะไรสะดวกสบายเป็นเบ่งตนแต่สมไม่ยามได้ฝึกเคืนเวลาสายในสักกียานแลึกศาสตร์ผลหลังได้ในสาวจีพบดี้ค่ะึกเพอนไปตาม ความเป็นความเห็นชาตินั้นเป็นอย่างนั้นชาตนี้เป็นอย่างนี้ดีๆเฉลียวเวกเกิดโศกเศร้าเสียใจแบบนี้เกิดดีใจเพลิดเพมินแนี้เพราะตันเห็นในจิตในใจอย่างนั้นความคิด่นี้ที่จะมาอะไรมันถ้าให้ช่องเชี่ยวเป็นใจอย่างนั้นที่โยนาหาสาเหตุของมันพอจิตถอนถอนจากนั้นตอน มาชิมัยยามก็ได้จตดูปไปแต่ายามรู้จักความทิตสิแต่ที่เห็นที่เรื่องการเกิดคานตายของสัตว์ทั้งหลายนี่ก็ยังไม่ขิ้นจากอาสวะที่เจรณาอยู่ตกแต่วัิมัยยามเรียนแต่ว่างการที่เจรณาสิย่อง อัาาจจการพิจารณาไปพิจารนามาจนหยุดนยุออกจากที่เหลือกันหาจากอริซาอุปทานไดอาร์สวายานสิ่งนั่นแหละการพเจารณาส่งที่าาท ว, ว่ากำลังไพิจานาที่อื่นลมหาใจก็ดีเงี้ยความเปิดการตายก็ดีเียอริซากันหาอุาทานจิส ม, มุบ า, าทด้วยอัจการ ก็มีอยู่ในใจของเราไม่ใช่มีมาจากที่อื่นเมื่อเรามาได้มุ่ง ท, ที่จะพิจาราใจทัองตัวที่จะราใจทั้งตัวว่าชั่วดีมันมีอยู่ที่อื่นเราไปหลงจุดข้องยึดถือตัวแล้วก็ยึดถือสิ่งภายนอกออกไปจากตัวแล้วรุมหลงวงนเวรใสัญญาอารมณ์ท้างตนในใจอย่างอื่นมาทําโทษให้เกิดทุกข์ เรื่องอารมณ์ของใจเรื่ อ, อ, องตัวของตัวเองพอทุกข์ใส่ตัวแต่ในสัปดาห์จะแก้ไขโดยวิธีใดพระพุทธเจา้าท่านทราบท่านรู้แต่ทีแม่สอนให้พวกเราที่จะได้มากําหนดเรื่องของจิตนี้แบบมันคิดมันปรุงอะไรมันดีชั่วอย่างไรมันผิดถูกอย่างไรให้สติรู้ให้สติติดตาม อยู่ทุกการทุกเวลาให้บรรยายน่สสอนถ่ามันจิตแ่สอนให้มันละถ่ามันถูกแ่สอนให้มันบำเพนญเพียงไผจิตเพียงพอวาริบูลและจากทายออกเองจากความจิตข้องของโลกมี่าการจะทำของพระพุทธเจ้าหรยอครูอาจารย์กานทำมาแบบนั้นไม่ใช่ท่านทำเล่งเด่ น, นทำแต่ทำริ้ง เอาชี้ิตเท่ากันเป็นอย่างไรก็เป็นกันถ้าไม่เห็นไม่เป็นจะไม่ยอมเพราะเราเกิดมาเขาไม่ฆ่ามันเกิดจะตายอยู่คนาาในภ า, าวนาตายไปกระดาษดินเราภาวนาตายเพให้มันตายไป ต, ตายด้วยกันตั้งใจเภาะนาจะเอาตายอันนี้เป็นถูกเป็นเทียนบูชาพระราชาไตรเปนไปอย่างไรก็เห็นเป็นไปกัน อะไรจะเกิดขึ้นแต่พิจาอันนั้นจิตสัมผัสกับอะไรกำห น, นดอยู่นะั้นเป็นใดทอดใดความเกิดมาอย่างละเล่นอนพรอนต่างๆแผนทําจริงอย่างนั้นหากจะไปเชื่อตามเรื่องของของยื่ดปัญหาความหึงหวงในเรื่องของกายทุกขลายไปมันหึงหวงอะไรจะหึงหวงเท่ากับตัวข้องตัวแผ่นจงอาณกจินน อาจารย์สมังเตมีคามรักอื่นเสมอเดี๋ย ว, ร, วรักตัวใหน่มีความรักตัวเดี๋ยวรักมากนงวนมากทุกคนไปแต่ถึงแต่รักจะสงวนขนาดไหนมันกลัตายใานวันไดสักวันหนึง่งเมันเป็นอย่างนั้นการตายของเราจะให้มันตายดีหรือตายขั้วอย่างไรคนตายขั้วตายเสียเพราะไม่ได้ภาวาเพราะไมไม่มีสติปัญญา ดูจิตใจมันนับไม่ได้หนูเรามันจะเป็นอย่างไรเราจะเอาสติเอาปัญญาบังคับบัญชาดูแลจิตใจของเราอยู่เรื่องเดี่ยวไปมันจะเป็นอย่างไรเปนไปเวทนาเนี่ยอยู่ของมันเป็นอย่างไรมันจะเป็นไปตามเด่นของมันความทุกความลําบากเหนื่ยเวลาหน่ักไประยะนานๆจะเกิดเจ็บแสบเจ็บขาปวดหลังปวดเอวอะไรต่ออะไรขึ้นนั่นคือมันถึงมันห่วง เรื่องของมันไหวจิตเห็นตามเป็นรงนี่มันเรื่องของเวทนาในใจเรื่องของจิตมันเก็ดได้และทิฏฐมาได้เวทนาไปไม่ได้ตายคนตายอย่างนี้เวทนามันไปถึงแคดแต่จะไม่ตายเท่านั้นตายไปแล้วเวทนามันนึ่งีในอย่างนั้นอาจารยเาไปฟังมันจะต้องร้องเนกระวนกระวาย มีคนตายไม่มี้าย ไ, ไม่มีเวาทานาจิตจึ่งก็ไม่มีเวาทานาเวทนานี้จิตขานอันหนึ่งใครรู้เห็นตามเป็นจริงประจักษ์อย่างนั้นที่เวทนากันอยู่นั้นมันตายเป็นบูชาพณะเป็นกายเดชการภาวนาลองดูเมื่อตั้งใจมั่นอย่างนั้ น, น, ะ น, ะะ น, ะะนอะไรเกิดขึ้นมากับที่เวทนาปัจจุบันจะแก้สาย ข, ขอดอนจิตใจมันไม่เหลือดีใส่พุทธิาาตั้งใจที่นี้ที่เนาจริงจัจะต้องเห็นต้องเชืน ใ, ใจมันยังรักยังส่งงันตัวกลัวมันจะล้มจะตายกลัวมันจะเ จ, ะจะเ็บจะปวดแต่กลัวอยู่จะเปเอาใจนามันได้อย่างไรต้องสู้มันจิตใจ น, นามันกเหนดกันจริงจังมัอะไรมันตายมันยังกว่าอยนาหนีผู้ที่อที่นี่จิตใจนาฝึรักษาจิตใจของตัว เลมาทา่านึกแบบนั้นเจนาแบบนั้นไมยอม่อยมีเวลาสูส้จริงๆอย่างนั้นก็จะเห็นใจันะไมได้ใจนันะไม่ได้ดับนำธรรมมาสอนโลกพระพุทธเจ้าถ้ากลัวตาย า, า่วงขาดขันทานเป็นศาสตราไม่ได้ผมเคยได้ไยินตามตำ ห, ตห น, าานัตำราว่าพยาบาลมายิงบลลังอะไรแบบมา กิเลสตะมาณขันธมาณมัจจุมานมานทั้งหาที่ท่นพูดเอาไว้สมานในตายในใจในเคมานี่อีกใครเหล่ามันจะไปเจ็บในปวดได้ท่านเล็กทาคลงมาจากที่ไหนพอะ่าสีา้อสัหนหานเยื่อสันนั่งไปนานมันจะต้องเจ็บต้องปวดเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ยิดใจต้องยึดต้องถือแต่ท่านสู้ในยอมถอยถ้าจะอยากมีนางท่านมีมาช่วย แค่มีตัวอะไรแผ่นบินแผ่นบินมันหนักแน่นขนาดไหนโซ่หว่านไหวไหมใช้ไปเผาไปสังไปขุดไปคนแไปทําอะไรแผ่นบินโซ่ดูใจเสียใจไหมทางอากจิตใจของพวกเราตั้งมั่นเหมือนแผ่นบินอย่างนั้นอะไรมันจะมาทําให้จิตใจหว่านไหวเอียงๆแหละมันจ้องสู้ได้พิจารณาดอเห็นตางเป็นจริงได้ขับไล่เดี่ยงเข้ามาหนีได้ นี่มันกลัวตายเแบยกลัวตายตัเลยต้นตายไปไม่ได้เพราะกลัวไม่ยอมสู้ไม่ยอมทุกยานะไม่ยอมเอาชนะจากมันพอเห็นเขากลัวคนที่กลัวอย่างนั้นในว่นนักกีฬาประเทศใดถ้ากลัวเขาแล้วจะไปเอาใจช น, นะจากเขาได้อย่างไรนี่แต่กลัวมีการสู้ เราขัดจัดเี่ยเรื่องที่เหลือปัญหาขอทานองเดียวกันเวลากล้าได้าจริงๆซื่อจริงๆมันจึงจะเห็นจะดีจะเด่นการฝึกอบรจิตมันเป็นของยากของลาบากแต่คุณข่ามหาสารบูรุษผู้อบรมได้สะดวกสบายไม่มีอะไรจะเทียบแต่แม้เหมือนเดใจิตใจฝึกได้อบรมได้ คุณข่าจึงเงของสนะิตสาธาแล้เราสั่งการแต่ความสุขความสบายอย่างนั้นแต่พอทำกันจิตใจยิ่งบุ่นไปหาสัญญาอารมณ์อะไรไม่ได้มีสติสาารักษาไม่มีมีสัญญาแน่สอนนั่งพอเป็นที่พีว่าตัวภาวนาแตปล่อยใจในสังคมกับอารมณ์สัญญาอะไรอยู่ในวงธรรมะได้ไหมไม่ก็ไสอบสิมาด แค่ใจความจิตใจของตัวงั้นก็เลยในเช่นในเห็นในรู้หนังอควรเอาละใหม่จะไเอาทอีกวันนี้านพควรแล้วจะาอะไรเอาละได้อะไรจิตใจเปลี่ยนแปลงอย่างไรในเคยรู้เคยเห็นอะไรจะเอาละาอยู่นะแต่เลยถึงขั้เอาละ จะหาความสงบเงียหาความแจ่มใสหาความลาบานอะไรในใจวันนี้ขออละวันหน้าขออละแต่จะเอาละจะหาความสงบเงียบหความยูเด่นเป็นธํามไม่มีถัดเหแบบนี้จะเกิดอะไรไมนก็เป็นตัวแบบนันแหละที่เป็นฝ่าฝืนในใจ ส่นนวนตัวทำผ่าศิริ์ยามีสติสตังนั่งกำหนดอะไรก็ตตแต่งใกจกำหนดแต่นกีีนาทีต่อยให้เกิดกัญหามันซัดจูงหนีหมดมการภาวนาที่มันเป็นไหนเห็นไหนรู้โดยมากมันเป็นแบบนั้นยังพ า, งาดันมีสติผูกจิตผูกใจจะ่กำหนดลมหรือแะะต่กำหนดทำบริกรรม ก็ปลูกหยมัน่นในอารมณ์ส่วนนั้นอารมณ์อันนี้เราจะทำตัวของเราให้ดีให้ดีเศษอารมณ์อื่นๆเป็นหมื่นเป็นแสนผ่านมาเราไม่ต่องจิตตามมันล้วเชื่อมันว่าอันนี้จะทำจิตทำใจท่องตนให้ก้นไปจากที่เหลือปัญหาให้ระงับดับที่เหลือได้